บาังคมาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งภิกษุทั้งหลายพ่ชงเจตประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้พ่ชงเจตประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโพชงละถึงเจอุเบกขาสัมโพชงภิกษุทั้งหลาย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 จากถึงฝั่งโน้นบัณฑิตละธรรมดำแล้วพึงเจริญธรรมขาวออกจากที่มีน้ำมาสู่ที่ไม่มีน้ำและกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้ยากยิ่งบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้ามองแห่งจิตทั้งหลายบัณฑิตเราใดอบรมจิตโดยชอบในองธรรมเป็นเครื่องตัสรู้ทั้งหลาย ไม่ถือมัน่นยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมัน่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสะวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกปารังคมาสูตรที่เจ็จบ8วิราชสูตร ว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาดภิกษุทั้งหลายผู้ชงเจตประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วผู้ชงเจตประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้วอริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารบแล้ว พ่อชงเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโพชงและถึงเจ็ดอุเบขาสัมโพชงภิกษุทั้งหลายโพ่อชงเจตประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วส่วนพ่อชงเจตประการนี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้ว อริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ววิรัชทสูรที่8จบ 9. อริยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยะภิกษุทั้งหลาย พ่อชงเจตประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วเป็นอริยะเป็นนิยานิฆธรรมนําออกไปเพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บําเพ็ญโพ่อชงเจตประการนั้นโพ่อชงเจตประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโอชงละถึงเจอุเบกขาสัมโอชงภิกษุทั้งหลายโพ่อชงเจตประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้ว เป็นอริยะเป็นนิยานิกธรรมนำออกไปเพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญโูชงเจ็บประการนั้นอริยสูตรที่เกจบ 10. นิพพิทาสูตรว่าด้วย ทำที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายภิกษุทั้งหลายโพชงเจตประการ น, นี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพานโพชงเจตประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโู้ชงละถึงเจอุเบขาสัมโู้ชง ภิกษุทั้งหลายโูชงเจ็ดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานนิพพิทาสูตรที่10จบขิลานวั์ที่สองจบ ปวมระสูตรที่มีในวัดนี้คือ 1. ปาณสูตร 2. ปฐมมสุริยุปมะสูตร 3. ทุติยะสุริยุปมสูตร 4. ปฐมมคคิลานสูตร 5. ทุติยะคิลานสูตร 6. ตติยะคิลานสูตร 7. ปารังคมะสูตร 8. วิรัตสูตร9อริยสูตร 10. นิพิทาสูตร 3. อุทายิวักหมวดว่าด้วยพระอุทายีหนึ่งโพธายสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้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 เพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะละถึง 7. เจริญอุเบขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะภิกษุเราเรียกว่าโพชฌงค์ เพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้โพธายสูตรที่หนึ่งจบ 2. งโงชังคะเทศนาสูตรว่าด้วยการแสดงโพชงภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงผู้ชงเจตประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังโพชงเจตประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโูชงและถึงเจ็ดอุเบขาสัมโูชชงภิกษุทั้งหลายโพชงเจตประการนี้แลโพชังคะเทสนาสูตรที่สองจบ าทาฐานิยสูตรว่าด้วยทำอันเป็นที่ตั้งแห่งนิวรภิกษุทั้งหลายก้ามชฉันทะความพอใจในกามที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นเพราะธรรมนุสการถึงรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการมาราคะให้มากพยาบาทความคิดปองร้ายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น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 ส ต, galaxies, สติสัมโฟ <ça. S 2> ชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะธรรมนัสการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโฟชงให้มากละถึงอุเบกขาสัมโฟชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะธรรมนัสการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโฟชงให้มาก ธานิยะสูตรที่3จบ 4. อโยนิโสมน ส, สิการะสูตรว่าด้วยการมณ ส, สิการโดยไม่แยบคายภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมณ ส, สิการโดยไม่แยบคาย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 อโยนิโมนสมนศิการะโสที่สี่จบ 5. อัอริหานิยสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรม ทำอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจ็ดประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอปาริหานิยธรรมเจ็ดประการเป็นอย่างไรคือโพชงเจ็ดประการโพชงเจ็ประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโอชงละถึงเจอุเบกขาสัมโอชงภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้แล อภริหานิยสูตรที่หจบ <Okay. S 1> 6. ตันหักขยะสูตรว่าด้วยมักและปฏิปทาเพื่อความสิ้นตันหาพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญมักและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นตันหา มักเป็นอย่างไรปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นตันหาเป็นอย่างไรคือพภอชงเจประการพ่ชงเจตประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโพชงละถึงเจอุเบกขาสัมโพชงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผูชงเจ็ดประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความสิ้นตันหาอุธายีภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโูชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้องไปในโวสะัะอันภัยบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีความเบียดเบียน เมื่อเธอจเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักะอันไพ่บู์เป็นมหากระตะไม่มีขอบเขตไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตันหาได้เพราะละตันหาได้จึงละกรรมได้เพราะละกรรมได้จึงละทุกข์ได้ละถึง 7. จเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะอันไพ่บูรร์เป็นมหัคตะไม่มีขอบเขตไม่มีความเบียดเบียนเมื่อเธอจเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะอันไพ่บู์เป็นมหัคตะไม่มีขอบเขตไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตันหาได้เพราะละตันหาได้จึงละกรรมได้เพราะละกรรมได้ จึงละทุก์ได้อุทายีเพราะสิ้นตัณหาจึงสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมจึงสิ้นทุก์ด้วยประการชน้ตัณหาขยะสูตรที่6จบเจ็ดตัณหานิโรธสูตร ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่อความดับตัณหาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความดับตัณหามรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความดับตัณหาเป็นอย่างไรคือโพชงเจ็ดประการโพชงเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโภชงละถึงเจ็ด อุเบกขาสัมโพชงโพชงเจประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความดับตัณหาเคอพิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักะและถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะภิกษุทั้งหลายพ่อชงเจ็ดประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แหลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อความดับตัณหาตัณหานิโรธสูตรที่เจ็ดจบ นิเพทภาคิยสูตรว่าด้วยทางอันเป็นส่วนแห่งการชํำระกิเลสภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทางอันเป็นส่วนแห่งการชํำระกิเลสแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทางอันเป็นส่วนแห่งการชํำระกิเลสเป็นอย่างไรคือโพชฌงเจตประการโพชฌงเจตประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโพชฌงละถึงเจ็ด อุเบขาสัมโพชงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพ้ชงเจ็ดประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความตรัสรู้อุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักะอันไพบู์เป็นมหกัตไม่มีขอบเขตไม่มีความเบียดเบียนเธอมีจิตอันสติสามโภชงให้เจริญแล้วชัมแรกทำลายกองโลภะที่มิเคยชัมแรกทำลายได้ชัมแรกทำลายกองโทสะที่มิเคยชัมแรกทำลายได้ชัมแรกทำลายกองโมหะที่มิเคยชัมแรกทำลายได้ ละถึงเจเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะขอันไพบู์เป็นมหัตะไม่มีขอบเขตไม่มีความเบียดเบียนเธอมีจิตอันอุเบกขาสัมโพชงให้เจริญแล้วชําแรกทำลายกองโลภะที่ไม่เคยชํแรกทำลายได้ชัแรกทำลายกองโทสะที่ไม่เคยชัแรกทำลายได้ ชัมแรกทำลายกองโมหะที่ไม่เคยชัมแรกทำลายได้อุทา ย, ยี่โ้ชงเจ็ดประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แหลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อความชัมแรกกิเลสนิเพทะภาคิยสูตรที่8ดจบ ธรรมสูตรว่าด้วยธรรมอันเป็นเอกภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วจึงเป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เหมือนโพชฌงเจตประการนี้เลยโพชฌงเจตประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโพชฌงละถึงเจอุเบคาสัมโพชฌง พ่ชงเจ็ดประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้อย่างไรจึงเป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อคูณแก่สังโยชน์คือภิสุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรด น้อมไปในโวสศคะพ่อชงเจ็ดประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เป็นอย่างไรคือจักขคูตาเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เครื่องผูกคือสังโยชน์ความถือมั่นย่อมเกิดขึ้นที่จักขคูนี้โสตหูคาณนะจมูก ชิวหาลิ้นเป็นธรรมที่เกือ้อกูลแก่สังโยชน์เครื่องผูกคือสังโยชน์ความถือมั่นความเกิดขึ้นที่โสตะคานะชิวหานี้ละถึงมโนใจเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เครื่องผูกคือสังโยชน์ความถือมั่นย่อมเกิดขึ้นที่มโนนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ เอกธรรมสูตรที่9จบส0อุทายิสูตรว่าด้วยพระอุทายีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวสุมพภะชื่อเซตกะ วสุมพครั้งนั้นแหลท่านพระอุทายีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรเด็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศ จ, จรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่ข้าพระองค์มีความรักความเคารพความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคมากเหลือเกินเพราะเมื่อก่อน ข้าพระองค์เป็นครหัสอยู่ครองเรือนไม่คุ้นเคยกับพระธรรมไม่คุ้นเคยกับพระสงฆ์ข้าพระองค์นั้นเมื่อมีความรักความเคารพความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้ เวทนาเป็นดังนี้ละถึงสัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อยู่ในเรือนว่างพิจารณาความเกิดและความเสื่อมแห่งอุปาทานขันหประการนี้ได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์นี้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นี้ทุกขานิโรธคาไม่หนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญทำที่ข่าพระองค์บรรลุแล้วและมรรคที่ข่าพระองค์ได้แล้วที่ข่าพระองค์เจริญทําให้มากแล้วนั้นจากนําฆ่าพระองค์ผู้อยู่เพื่อความเป็นอย่างนั้นไปโดยประการที่จะรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรมจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปค่าแต่พระองค์ผู้เจริญสติสามโภชงที่ข่าพระองค์ได้แล้วที่ข่าพระองค์เจริญทำให้มากแล้วนั้นจากนำค่าพระองค์ผู้อยู่เพื่อความเป็นอย่างนั้นไปโดยประการที่จะรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วยูโจบพรมจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปและถึงค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอุเบกขาสัมโู้ชงที่ค่าพระองค์ได้แล้วที่ค่าพระองค์เจริญทำให้มากแล้วนั้นจากนำค่าพระองค์ผู้อยู่เพื่อความเป็นอย่างนั้นไปโดยประการที่จะรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรมจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป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 มักที่เธอได้แล้วที่เธอเจริญทําให้มากแล้วนั้นจกนำเธอผู้อยู่เพื่อความเป็นอย่างนั้นไปโดยประการที่จะรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทํากิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอุทายิสูตรที่สิบจบอุทายิวักที่สามจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โพธายสูตร 2. โภพชังคเทศนาสูตร 3. าฐานิยะสูตร 4. อโยนิโสมนสิการะสูตร 5. อปริหานิยสูตร 6. ตันหักยสูตร 7. ตันหานิโรธสูตร 8. นิเพทภาคิยสูตร 9. ก เอกธรรมสูตร 10. อุทายิสูตร 4. นิวรณวักหมวดว่าด้วยนิวอนหนึ่งปฐมมากุศลสูตรว่าด้วย ธรรมที่เป็นกุศลสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นส่วนกุศลเป็นฝ่ายกุศลทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิต ก, กล่าวว่าเลิศ ก, กว่าธรรมเหล่านั้นภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญโพชฌงเจ็ดประการ ทำพ่อชงเจ็ประการให้มากภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญโพ่อชงเจ็ประการทำพ่อชงเจ็ประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. จเจริญสติสัมพ่อชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะละถึง7จเจริญอุเบกขาสัมพ่อชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญโพชฌงเจตประการทำโพชฌงเจตประการให้มากอย่างนี้แลปทมมะปุษละสูตรที่หนึ่งจบ สทุติยากุศลสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นส่วนกุศลเป็นฝ่ายกุศลทั้งหมดมีโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยกคายเป็นมูลรวมลงในโยนิโสมนาสิการโยนิสมนสิกา ร, การบัณฑิตกล่าวว่าเลิศ ก, กว่าธรรมเหล่านั้น ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัสการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญพ่ชงเจ็ประการทำพ่อชงเจ็ประการให้มากภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัสการเจริญพ่ชงเจ็ประการทำพ่อชงเจ็ประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมพ่ชงอนอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสักะละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัสการเจริญโพชงเจ็ประการทำโพชงเจ็ประการให้มากอย่างนี้แลทุติยปุสลสูตรที่สองจบ สอุปัคกิเลสสูตรว่าด้วยความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายสิ่งเศร้ามองแห่งทองห้าประการนี้เป็นเหตุให้ทองเศร้ามองไม่อ่อนใช้การไม่ได้ไม่ผุดผ่องแตกง่ายใช้งานไม่ได้ดีสิ่งเศร้ามองแห่งทองห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งเหล็กเป็นสิ่งเศร้ามองแห่งทองเป็นเหตุให้ทองเศร้ามองไม่อ่อน ใช้การไม่ได้ไม่ผุดพองแตกง่ายใช้งานไม่ได้ดี 2. โลหะเป็นสิ่งเศร้ามองแห่งทองละถึง 3. ดีบุกเป็นสิ่งเศร้ามองแห่งทอง 4. ตะกั่วเป็นสิ่งเศร้ามองแห่งทอง 5. เงินเป็นสิ่งเศร้ามองแห่งทองเป็นเหตุให้ทองเศร้ามองไม่อ่อนใช้การไม่ได้ไม่ผุดพองแตกง่าย ใช้งานไม่ได้ดีสิ่งเศร้ามองแห่งทองห้าประการนี้เป็นเหตุให้ทองเศร้ามองไม่อ่อนใช้การไม่ได้ไม่ผุดพองแตกง่ายใช้งานไม่ได้ดีความเศร้าหมองแห่งจิตหประการนี้ก็เหมือนกันเป็นเหตุให้จิตเศร้ามองไม่อ่อนไม่เหมาะแก่การใช้งานไม่ผุดพองฟุง้งซ่านไม่ตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาสวะ ความเศร้ามองแห่งจิตหประการอะไรบ้างคือหนึ่งกามฉันทะเป็นความเศร้ามองแห่งจิตเป็นเหตุให้จิตเศร้ามองไม่อ่อนไม่เหมาะแก่การใช้งานไม่ ผ, ดผุดพองฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาสวะ 2. พยาบาทเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเหตุให้จิตเศร้ามองไม่อ่อนไม่เหมาะแก่การใช้งาน ไม่ผุดพองฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาสะวะละถึงภิกษุทั้งหลายความเศร้าหมองแห่งจิตหาประการนี้เป็นเหตุให้จิตเศร้ามองไม่อ่อนไม่เหมาะแก่การใช้งานไม่ผุดผ่องฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาสะวะอุปคิเลสะสูที่สามจบ อนุปปกกิเลสสูตรว่าด้วยทำที่ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายพ่ชงเจตประการนี้ไม่เป็นนิวรนเครื่องกลางกัน้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตตโพชงเจตประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมพ่ชงไม่เป็นนิวรนเครื่องกลางกัน้น ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติละถึงเจอุเบกขาสัมโพชงไม่เป็นนิวรนเครื่องกลางกัน้นไม่เป็นความเศร้ามองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติภิกษุทั้งหลายโพชงเจตประการนี้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 อโยนิสโสมนั ส, สการะสูที่5จบหโยนิสโสมนั ส, สการะสูตรว่าด้วยการมนั ส, สการโดยแยบคายภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งเมื่อภิกษุมนั ส, สการโดยแยบคาย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 วุฒิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญภิกษุทั้งหลายโพชงเจประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมโพชงเจประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโพชฌงละถึง 7. อุเบคาสัมโพชฌงภิกษุทั้งหลาย ข้อชงเจ็ดประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสือ่อมวุฒิสูตรที่เจ็ดจบ